สิกขาบทวิพังหนึ่งพันหาคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าเชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าพิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสิกขามานาได้แก่ผู้ได้ศึกษาสิกขาในทำหกข้อตลอดสองปี คำว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จวนแก่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอความว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะอุปสมบทให้เธอคำว่าภายหลังภิกษุนีนั้นผู้ไม่มีอันตรายคือเมื่ออันตรายไม่มีคำว่าไม่บวชให้คือไม่บวชให้ด้วยตนเองคำว่าไม่ค้นควายชายให้บวชให้คือไม่สั่งภิกษุรูปอื่นพอทอดทุระว่าจะไม่บวชให้ ไม่คนควายใช้ให้บวชให้ต้องอาบัปลาจิตตี